นับไปที่ว่าคุณสามสิบปีใช่ไห้ย่างกี่วันในวันไหนเอาวันที่จนวันที่อะสนับเจำนวนวันในเดือนนั้น่ะอย่างเช่นเกิดวันที่สามสิบใช่ไหมล่ะ uh huh. ถ้าวันที่สามสิบเอ็ดก็คือส uh huh. ามสิบปีหนึ่งวันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของดาวอะไรเล่า uh huh. อะไรยังปีหนึ่งวันอยู่ในช่วงดาวอะไรอะไรเดชใช่ไหมล่ะหรืออะไรก็ว่าไปสิ มันก็ยังไม่พ้นอาทิตย์ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเดี๋ก็เบิร์ดเดี๋ยก็เบิร์ด เ, เมื่อกี้ยังรู้อยู่เลยตอนนี้เธอไอคิวตกอีกแกอร่อย <c oughs> เมื่อกี้ยังเข้าใจอยู่เลยตอนนี้งงแก่ภูมิเราอะจะอาทิตย์เป็นอะไรละ่ะมันตกตรงไหนจะอ า, าทิตย์เราตกพระอายุนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรในภูมิ แต่เมื่อกี้บอกเดทในภูมแล้วนี่ยเหรอทำไมมันโง่เอ้ยทำไมมันึไม่เคยออกเลยจ้ะเอแต่อะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้เรื่องทำไมเนี่ยผมเองผมสายที่ก็อยากจะสอนใครแต่เพราะอย่างนี้แหละมันจะรู้เรื่องหรือวะเนี่ยลาหูก็ไม่ยอมองนีนะครับ ยังไงจากไหนไปไหนเราเริ่มพูดใหม่เนี้ยอาตอนแรกเริ่มท่านที่หนึ่งท่าไหมก่อนแลมเจ็ท่อมอ่ะท่าน ท, ที่หนึ่งทํายังไงก่อนเราเกิดวันขึ้นแลมอก็นับไปตามวิธีการนับขึ้นแลมเดียดซ้ายเป็นขวาเหมือนกันเราเริเ่มต้นจากเลขหนึ่งเป็ไงต่อท่านที่สองเงื่อนนับไปตกอายุครับนับไปตกอะไรอายุอายุเท่าไหร่ ขึ้นแล้วก็ต้องดูอ่ะมันจะเป็นบริวารเห็นไปแล้วครับบาเอาตรงอายุไม่แช่ตรงบริวารอายุนไปเพราะอะไรถึงต้องอายุเราอายุของตัวเองเพราะดาวเสวยอายุเออมันไม่ใช่ดาวเสวยบริวารนะแล้ยังไงไปจบถึงอายุปัจจุบันนะแล้ยังไงตกเลขอะไรตกเลขอะไรน้าก็นับแล้วนี่วันละนี่ตกเลขหนึ่งก็ไปดูในตารางราเอินที่เป็นเลขหน่นอ่าเพราะนั่นแหะว่า อายุนั้นนกี่วันแลสปีกี่วันเน่ยเดหนึ่งมันอยู่กี่วันยบวันหาสิวันทไมด้วยว่าอายุ30มปียี่สิวันะอยู่ในนั้นอ่ะวันที่สิวันเป่เป็นดาวอะไรเียเขาใจยังไปดูอีกสิวันเออแน่ๆนนะใครรู้นี่ในช่วงต่างๆเหล่านั้นน่ะในช่วงตาตาที่ดาตกยวันก็ไม่ต้อูดหาได้แล้วดูแม่อาทิตย์อันเดียวเนี่ย เออแต่ฟ en ูอย <Genau. S 2> ู่ตอนนี้เป็นอิทธิพลของความร้อนอยู่ไม่ติดแล้วเอกติกันอยู่ไม่ติดแ้านมื่อใดอยู่รับบ้านออกจังเดียวไฟผมสูบแลต้องวิ่งจู้กับพ่อครับเข้าใจอะตอนนี้มันออกเรื่องอะไรล่ะอาทิตย์ในภูมิเกิดเราเป็นอะไรเป็นเด็กรู้ไหมเด็กอันนี้เด็กมันไปอยู่ทุกขังละเมื่อตำแหน่งต้องนึ่งลุอย่างเงี้ยถ้าหาว่าเราวางไว้ตาแหน่งดีมันก็ดีสถานี ยังเพรานั้นเราก็จะดูถอยหน้าถอยหลังก็ได้จะดูอายุเท่าไหร่ก็ได้อายุตอนขนาดนี้เนี่ยคุณเสียตัวน่น่ก็ดูได้ใช่เสียตัวรู้ว่ะเสียวันที่เท่าไหร่ท่าไหนเนี่ยอั น, นเอาจริกงก็ไปจับเสาดูดิกี่โมงคุณเสียตัวนะ่ยตอนไหนลึแกแย่ไหนดูได้แก่ <c oughs> อ้าวทำไมจริคุณเป็นยังไงคอไสเรียแลต้องไปเรียนไม่ได้นียเนียไม่ได้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นดีลเนี่ยบัตรลังดาวเดือนนี่ สองใบสี่ใช่ไหมสี่กรณีที่สี่ใช่ไสี่ีบาันไล่ไปเรื่อยอ่ะเรามาดูว่ามันอยู่ในเสาเป็นยังไงเอานี้ขึ้นเสาเลยหรอเออแต่ละช่วงช่วงมันก็จะทำงานข้งมันแล้วไม่เกี่ยวเวลาละอมันมีนิดเดียวนีนิดเดียวนี่หลแตกนะแตกตัวเล่ยเพราะมันจะแยกเป็นยาวเป็นยามใหญ่ยามย่อยในตัวมันเองอ่ะแล้วก็ซื้รับมาแบนี้ใช่ไหเหมือนาแล้ว อูเกิดกอนที่ว่าขึ้นแรงทังเดียวเ น, นีน่ยบ้แรง้แรมากมาตบขึ้นเหมืนกัลยครับขึ้นขึ้นแรงก็นับนับไปทางเดียวกันเขาเลือกจบไปขึ้นแรงก็นับทางเดียวนะนอไม่มีทวนแข็มนาดาวเดินอ่ะ มันจะดีตลอด100นะร้อยเอร์เซ็นในห้าสิบวันมั้หล่ะมันก็มีวันปวดหัวคงุ้หงใจก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่ใช่อ่ะจันเป็นสีดีตลอดโดยทั้งวันไม่ต้องทงหาได้แล้วมอือไม่ง่อยอะไรบนะักใส่ตาซ้ำยี่สิสี่ชั่วโมงมันก็ตายไม่หรอววะมันก็มีหยุดนี่แหละ สาใจยังน ะ, ะตอนนี้ต้องอธิบายให้ผมฟังนี่ท่านคอมเมนตว่าเนี่ยเอาดวงกันเนี่ยท่านคอมเมนต์ดวงท่านเนี่ยท่านลองถอยหลังดูสิพออาทิตย์เข้าเนี่ยมกราใช่ไหมล่ะใช่บ้างละวันที่สามสิบเนี่ยท่านยังไม่จบแต่ดาวเริ่มเข้าแล้วท่านจบวันที่เท่าไหร่จบวันที่เจ็ วันที่7จ็ดกรุงพันยัอยู่ในช่วงยี่สิบวันหรือเปล่าแสดงว่าข้ามาแปวันแล้วเอาเอาเยอะอ่านะแวันตอนนี้เรามาลองมาดูว่าหลังจากที่ท่านเข้าแปวันไปแล้วเนี่ยท่านเข้าแปดวันไปแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงของยี่สิบวันเนี่ยเราคอยไปดูวันที่ท่านไปทำพิธีเป็นวันที่เท่าไหร่ของวันเกิดจากวันเกิดท่านวันที่สิบสาอ่ะเป็นวันที่เท่าไหร่ รวมที่อ่ะ13มีนารวมกับอไอ้นั่น28แล้วอยู่ในดาวศุกร์สิบสี28 <20, S 2> 29 30 30 30โอ๊ย28ก็ก็เอาไอ้มกราไปคิดอ่่คิดคุด้มพา29เช่นไหมล่ะ29บ2ก13เป็นเท่าไหร่29 14 6 13เป็นเท่าไหร่29 13 มันมลากรามันทำยาไม่ต้อพูดถึงวากลาแล้วให้เดีวันที่สามสิบไม่โดนนับมันวันเดียวให้บวกที่หลังอ่านยี่บเก้าบวกกัาเป็นเท่าไหร่็นเท่าไหร่เป็นสาเท่าไหร่สามที่สองอก็อยู่ในดาวศุกร์แล้วนี่ดาวดาวศุกร์ไป13บวันแล้วดาวศุกร์เป็นราศีศีษหรือ่าอ่านอ่านกันแล้วแหยความว่าไงล่ะ แล้วมันจะยาวไปอีกนานเท่าไหร่ก็รู้นี่เจ็ดสิบวันวันเจ็ดสบวันถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็รู้แล้วเตรียมตัวเตรียมตัวสองเดือนเลยเตรียมตัวเป็นนี่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่สุกแล้วอใช่เปล่ากลต่อไปก็สี่อสี่เป็นอะไรในดวงสี่มูลาอามูลาตอนนี้ก็อ่าทแต่วันอันนี้ต้องเล่าของสาวแล้วเนี่ยอันนี้ยของสาวมาขายแล้วมันไม่ทร์เฮ้ยแล้วแล้วแ้วอนนี้อ่ามูลาน่าเป็นอะไร มันีปีกนานนะสมการราศีนีเนี่ยคนดีมันเข้าจังหวะอะไรหรือเปล่าดาวอะไรหละกราีนีเราไปดูเราปู่ดาวดาวดาหัสเลาวักนอาจจะวันอยู่ในช่วงภาษานะมังวเกิดเป็นอะไรมลตรีราีนีาหัเลยอะไรนะาาวพฤหัสกับราศีนีอ่ะนี่มันจะวอาของผม่ไหมก็ใชไม่ได้ โอ้โหระวังผู้ใหญ่นะอาจจะไล่พอจากวัดตอนช่วงข้ า, า <No. S 1> เป็นสาเออเอออะไรนะคืองกวาเนี่ยไปดูว่าเนี่ที่คุณเนี่ยมีปัญหานั้นเนี่ยเอาเลยสิปอหาวัดเต็มดวงทาไมรู้ผมบอกให้เอาพ า, าร่งหักเป็นเพหาะเรื่องหักปผู้ใหญ่ใช่ไหมเนาะอ่าเป็นผู้ที่จริญใช่ไหมแต่ไม่ได้เพาาราะหั กี่วันนะพฤหัสกี่วันแต่เราเก็บตัวปฏิบนะัติน่ะเดือนสามสิหกวันน่ะต้องปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะเก็บตัวเลยพฤหัสที่ไก่จะมี <ขอ S 1> ยังไม่ ไ, ม ไ, ดได้เลยําอะไรวันตอนท่วงนั้นเนี่ยทังหมดที่ทํามาเนี่ยฟังกมดไปได้ศูนเลยเหลืออย่าเดียเโด ย, ยว่าฟ้าผู้ใหญ่ก็มาวังเลย ก็นี่ไงก็นี่บอกว่ามีไว้เพื่อไม่ให้ประมาทตอนแรกผมไม่รู้ผมรู้นี่ผมต้องไปเตรียมตัวแล้วเ้ารู้วันที่สดือดซ้ำใช่แต่ใสวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แต่มันก็ไม่ใช่ไม่ดี24ชั่วโมงหรือดี24ชั่วโมงเท่าไหร่เราก็จะสร้างว่าไหนเร็วที่สุดเร็วเร็วเร็วกว่าเร็วที่สุดเราก็ต้องขันได้แล้วก็เร็ววันนั้นเรื่องอะไรก็สาสร้างนัดเวลาไหนแล้วก็ติดปากได้เนิทถ้าติดไม่ได้ก็ไปซื้อโป๊เต็กมาถ้าปาก น <Yeah. S 1> ี่แหละก็เพึ่งบอกว่าก็มาเทนอ่ะทั้งฟาเบต้าที่ทั้งหลายต้องยาำความไม่สมายถึงค้อมเาถึงค้อมหรือเปล่าดูพบไหมไม่แค่หูกาลังดังๆให้มันดักได้หรอพอย่างนี้ครัะเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาให้คนดักแต่ก็เราก็ไปตอนที่มันาระีเต๋อให้รู้มึงก็ดับมึงอยู่แล้วผมช่วยซ้าเนี่ยฝังนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าเราถึงไม่ให้รู้การะคีเก๋อเป็นยังไงไหมก่อน ในช่วงน้าเทวดาเขไปพักก่อนเนี่ยเวทชันแต่ว่าไปทัวร์ไม่กาัจะไม่กลันเขาจะมาไหนไปทัวร์ชมุึเท่าไหร่ก็ไม่มากเขาไปพักขกกกากมมข า, าขขบ้างให้หาเรียกเขา อ, อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเรียกอุจจารย์อาจานะพักไม่อยู่เราก็ไปนั่งเพิ่มสมาธิได้ใช้จัตเอรี่หมดมเป็นช่วงที่ต้องปฏิบัตินะแบบตรว จ, จเลย <S <S พลยระฤาษีาลกินีเนี่ย อันตรายที่ประดาวอื่นนะจะบอกในหะไอ้ที่ดีที่สุดที่เป็นการั ก, กินีก็คือลาหูถ้าราหูเป็นการั ก, กินีทุกขังมรณนังเนี่ยดีที่สุดลาหูเนะี่ยทุกขางมรณะังการั ก, กินีเนี่ยโอ้สุดยอดที่อยู่ในตั่วยังไงก็มันอยู่ที่ข้างไมถามพวกกระตุกพวกอะไรไอ้ที่มันฝังรูปฝังรอยได้พวกปยาวแฝด แอร์บีขึ้นน้ำมันพายเน้นแอร์อันนี้นะปูมานทองเน่ยต้อง ท, างทําช่ัวเราหูทีเนี้ยดาวดีเยอะจังที่เป็มหวาวันนะเพราะฉะนั้นภายที่เรีงมาแล้วแล้วก็ทําให้ตรงกว่ามหาวันนะเพเมื่อไหรก็ดัมทำไว้ก่อนไงพรรษาเนี้ยเป็นจ้วงทําของนะคนนึเกเตรียมเสื้อฟันหมได้เสื่อตามอะไรไปถ้าน้ําเป็นคน เป็นอาบชุดาทำให้ละทั้งเองแน่นด้วยไอแบบพิมที่เป็นพิมกับเพื่อนตาโมัดตรงกวบที่นี่เลยเป็นพราะผมพูดที่โวงบ่าเห็นป่ะในปฏิเสเอแปลกที่ไหมทาเป็นท่ากับสมเด็จเลยมาได้แบบพิมหงส์สนมีไมร้อยสวดีนะนะยังไม่มีคนทานะที่เป็นพระสมเด็จอ่ะอย่างนั้นออกมาข้างหลังก็สุวรรณภูมทำเป็นภาษาเป็นตัวเมือง แบบทิ้งทำมาแล้วเนี่ยที่ปั้มให้ยาโยกช่วยก็มีแล้วเรียบร้อยทุกอย่างครบพรรษานี้มหาวันเยอะไงแล้วแต่ละวันละวันก็ใช้แต่ละอย่างใช่ไหมละ่ะรู้อยู่แล้วนั่นก็ตามความหมายเราท่ันเป็นยังไงละ่ะนะก็อเอาตรงนั้นอ่ะจะเป็นเดชเป็นสีก็แล้วแต่เราละจัดทาเดกเอาคาถาเดกให้มันตรงกับมหาวันนั้น อย่างไอเนี่ยอย่างพระดาวพุทธกอ็อย่าลืมเลยไอสัะจังอ่ะบทสระจังอนะ่ะนะในตระหุงอ่มาสวดร้อยแปดจบปุกของอนะ่ะนะนะใครเอาไปก็อสอบเพื่อนขั้นฮะสอบมาาลัจะเช้าอะไระได้สิโอ้โห ลกเียวเกิดอัดวันนี้แล้วแต่วันนะมันก็ะทั้งโอเครื่องเครื่องจะบวมแล้วเนี่ยรู้ป่ะเวลาเราจะเสกปฐมวันอะมันต้องดูวันโดยว่าวันนั้นเป็นวันทันไรจะใช้คาถาอะไรเหมือนกับชั้นขึ้นที่ชั้นเนี่ยไป่ผู้ชาก็ต้องได้โควิยูนถ้าในง่านสลายตื่นแกเราเองคือมันไม่เวิร์กไงเข้าใจป่ะใช้แค้มันเหมาะเลือกเอาของมีอแล้ว นั้นไอ้ตรงไเนี่ยไอ้ไอ้ปัญญาปาทีปัจเจกตัวนะที่ในบทสัจจังมันมีอยู่นั้นน่ะใช้กับพุทธกพุทธพ้าหุไม่กี่บทแปดบทแปดบทขนาดเขาไว้ใช้ตามภูมิรู้ป่ะนี่นี่นี่ยั้แค่ดนบอกเท่านั้นเอเอาถึงมีแปดบทไม่มีรีกสิบบทแล้วเห็นอย่ัง นโมเนี่ยเขาไว้ใช้สาหรับดาวสวยอายุมีทั้งหมดเก้าบทนะเห็นยังน้ำโม่เบทเหรอน้โม่เก้าบทมีาสวดขนาดเก้าบทอ่ะเออนั่นน่ะมีเก้าบทอ่ะหรือไม่ก็ไปใช้เนี่ยก็ได้ทับสิริโสโนโรกุตราสถานแล้วต่เรจะใช้หรือจะใช้อันนี้ก็ได้ ง่ายๆสั้นๆก็ใช้ชิมโซ่แปดทิศสีชาเออสีชาก็ได้แล้แต่เราจะเรียกใช้เราต้องใช้ถูกกับภูมมน่ะแก่ไม่ได้แก้มุมบ้านมุมเวลาที่เคยสอนว่ายือเปนัดรึมปล่าอันหน้าไปทิศไหนใช้ทรายหวานไปทิศระมาณาว่าอย่างไรไม่เคยมึงเข้าหม้อมาแล้วผมนั้นมืนปดื่มสักี่ว่ะไอ้นี่เรียนมาังไม่ฉันหมายเรี่ยรถเลยโอย แต่ผมแล้ผมไม่ใช้ที่ไหนอะเพราะฉะนั้นสอนเช้าขึ้นมาเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระปรผัดทวนนะม่นที่เรียนไปอ่ะมันจะได้ไม่ลืมไอ้ที่เพลงอ่ะว่าสรรปรสรหาแล้วดไปนิดนึงไอ้ที่ว่าเนี่ยอ่านเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยที่เขียนเนี่ยอ่านใส่เทปว่าเปิดฟังเสียงตัวเองได้บ้างไหมวเราเรียนอะไรมาไม่ได้จําพอจําได้เนี่ยได้อีกหน่อยจะฝาให้ยังไง มันก็เลยโหดยิ่เรียยิ่งโหดไงเอาจะพ้ะที่ยกูได้ไอที่ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยหายไปเลยสิ่งวะแล้วเวลาจะทำเน่มันทำยังไงวะมันก็ใจทำยังไงเนี่ยไอที่เราเรียนเรียนในไเก็บเนี่ยดูว่าเยอะอ่ะเพราะผมเห็นหนังสือแล้วมันเยอะกว่านั้นอีก2ี่สิบเปอรกเซนเนี่ยมันจะจาไหนมามันก็ต้องเอาที่เราพูดไปแหละเนี่ยใส่เก็บไว้แล้วเราก็เปิดฟังเหมือนจะฟังเพลงน่ะไม่ทรบเองอะครับ เแต่เวลาเออให้ตรงนี้เองวันเราเองนี่แหละพูดเองอะ่ะตอนเราฟังโอ้ตรงนี้เองเพราะนี่ต้องคุยกันบ่อยๆไงแล้วไอเดียที่เราเิดเนี่มันนะจะออกมาอย่างนก็ลือหมดสิเนี่ยถ้าเราเกิดให้แก้ที่มันตกๆเราจะเอากดไหนในบทอินีิบิสโว๘ทิศจะมาใช่ไหมต่อตอนแล้เราก็ทำยังไงเนีอไว้ฟังนิดเอาซ้ายหว่านเนี่ยทําไงว่า ก็ oh. นั้นบทใดไปตามตัวแปดพิษไปตามเวลาที่มันปรมาแต่แลวตัวอย่างสมมติว่าตก6กใช่ไก็เสดไปเสียไปเสดปรุงของวันน่าหรือของกลุ่มของกลุ่มของเล็กของเด็กยันใหญ่ยัย่อยก็มันมีหนึ่งสี่สองใช่มับถรกะเลก นั้น6ปีตกเล็ก4ก็เสียไ้4ทีตกเล็ก2ก็เสียไป2ทีเ็กตายต้องต้องไปำดูปะเราเตัวอย่างปะล้วเอาไปหวานตรงไหนล่ะก็ตับที่งางาคิดนะตับทิตอนท่าเป็นยังไงก็จะเผ็ดเพาะตรงนั้นหวานเพราตรงนั้นกินตรงนั้นน่ะหยิดขึ้นมาก็หวานแี่เดิมก็หันหน้าไปทางทินันแหละหวานทุกทิศเลยเฮ้ย นิดนั้นที่เอาเรื่องเดียวเนี่ยวจะเอาเรื่องไหนอ่ะมันก็คล้ายๆกับที่ที่การฝึกเ็นลูกเศขหันหน้านั่นแหละ่แะครับมันคายแต่ภาษาคนละเรื่องเอ่อเป็นาษาอียิปโกลแต่บดครับเลือกเอาเลือดเอาบทนิดนั้นจะเอาเรื่องอะไรก็เศ็งถ้ามันเซ็งเรื่องฟ้อง เอาเสร็จแค่นั้นเสร็จกจบหกจบเลขตาเขบเลขที่มันอยู่นั่นแหละนาดาวดาวพุทธศีรีอาธิตหนึ่งราหูป้านหน่อยแปดกอันนี้เลนไม่วันเสร็จเลยจบเลยหรอถ้าทำอะไรต่อก็ไปทำ ได้ครับเวลาใส่เราก็ทเวลาเราก็ตั้งเอาทีตั้งเหมือนกันนั่นแหละก็ตั้งทิศเอาไอ้ตั้งเอสาวเอาเหมือนกันนั่นแะจะตั้งตรงนิดเดียวอันนี้ก็เรื่องพื้นจิตตาบ้านพื้นจิตตาเหมือนเหมือนกับเราฟังหัวใจดิวบอกปั๊มหัวใจที่นั้นให้มันฟื้นได้ อนนี้ก็เรยพื้นจะตาบ้าน้นจิตา ม, าาามืองร้านค้าทําริไม่ขึ้นอะไรางเงี้ยก็ดูทิศมันจะวางเสาเหมือนเดิมทาเหมือนกันนั่นแหละแทนที่จะตักคูบไปอันนี้ ไ, ปไ่ปลานาไม่ต้องถอนไม่ต้องอะไร ห, หวานเลยหยิบขึ้นมาก็หวานเลยแล้ก็ทองปัญหาเพรเราต้องไปแล้วจากนี่ใช่ไหมอเอาบินมาก่อ น, นเอาบินตรงนั้นน่ะเรารู้ทิศเราก็ไปเอาบินมาก่อนเหมือนกันนะเซ เสกก็องถึงเวลาแล้วก็โรยมากโรยเนี่ยเราก็กว้าเท่ากับที่เราเสกกันว่าครัาเท่ากับดาวนะสอนที่หวานแต่เราบินมาก่อนนะมาทําเรารู้ว่าที่เรานตรงนั้นเอามาก่อนเลยนะครับเสกมาเสกจนเวลานั้นเราก็มีวานหวานด้วยกระถานนะตามเวลากระถานนันอแต่ตอนพระเสกจะเอาอะไรใส่ก็ใส่ก็ไม่ใช่ว่าคราที่ตอนเสกที่โรยเนี่ยอันแต้องใช้กระถ้านิ้วโส่แ ทรคิดนั้นๆเท่านั้นเากัดาวนั้นเรือวจทั้งหมดดีเลยทั้งหมดไม่ได้เหมือนกับุริเดีย ท, ท่านเอาน้ามันเอาน้ำมันเครื่องน้ามันเป็นซินน่น้ า, า, ม, านมันโซล่าใส่ไหมไอ้สาน้ามันอน่ะเอาคิดเอาแล้วกันอ่ะมันจะน้ำมันเบรกส่เข้าไปอีกนั่นแหะเหมือนกันเลยแล่วลองดูนีรถจะวิ่งเป็นยัง ไ, ไงวะเจ๊งนั่นหละ ท่าบอกเาล้วงหมดเลยได้ไหมแก็ลองน้ามันร้วงหมดแล้วใส่ในถังน้ำมันดูนั่ น, ะนะง่ายๆเลย ต, ตอบเขาง่ายๆอย่างเงี้ยนะสายโคงสายไฟจุ่มแมงไว้ถังน้มันอย่างเงี้ยแสดงว่าดูมนันระวเบิดเลยใช่ไหมจริงเท่าไ่นี่นัคือวิธีการตอบง่ายๆจุ่มบอกเออทั้งหมดเลยได้ไหมอจารไหนๆก็ไหนๆแล้วออกพกมึงก็ลองเอาสายไฟนะสายไฟสายลายสตาร์ทนะน้ำมงน้ามันอะรวมที่เดียวกันอะจุมไปเลยอ้า